ธรรมชาดกแผ่นที่หาลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่31มอมีนาคม2550มีชื่อเรื่องว่าขี้มูกแทนบุญพระหลายอยู่เป็นพระนวักกะ พานักศึกษาแพทย์มหิดลทั้งหมด13องค์มัเปินมาอยู่วัดเท่าเนะี่เป็นปีที่3แล้วตั้งแต่ปี48นะปี49ปีห0ศปี49ปีห0สามปีแล้วเออมื่อเนี่ยหลวงพ่อชิวรเป็นภาษาบ้านเฮ่าให้ฟังดนดนไ ด, ด้ฟังที่นึงพอเมื่อเนี่ยเป็นวันทําบุญพ่อแม่ครูประจมนี่แหละ ที่บวชอยู่เท่าหลายปีนี่ยพอเพิินเสียรอยตีเสา ว, ว น, นไปรอยตีเสาเป็นลูกช่ายของหลวงปู่หลาแท้ๆวนันนึงไปเป็นมีลูกช่ายอยู่สองคนมีลูกอยู่สมคนตามประวัติของเพลินหลวงพ่อหู่จักแต่เป็นแน่นอนเพลินบอกให้ฟังมดนะพอหลวงพอ่อยู่กับหลวงปู่หลาหลวงปู่เฮาเนี่ยแต่อายุสิบเอ็ดอปีพอจบปอซีมาหลวงพ่อกับ ขึ้นมาอยู่น้าหลวงปูปี 2,500 ปีนี่ก็ 2,550 สูญเจ้าว่าสักปีมันออกไปหาสิบเอปีเด้เด้เออตั้งแต่หลวงพ่อปวดมากเลอยู่มาตั้งแต่ปี 2,500 สมัยนะั้นหลวงปูหลา่าอายุเพียงอายุเพิ่นได้สากว่าปีมปั้ง3ามสปีนะกำลังแข็งแรงมันออไปไหว ข้นในถากขวานพ่อไปพ่อป่านเมี่ยงกระบือเมี่ยงกระบี้บินเ น, นี่ยวันไปาถากในทังขี่ขวาในบินพ่อป่านเมี่ยงกระเบือกระบี้บินเ น, น, เเนี่ยวนไปหลวงปู่นี่โอ้ล่าสันใหญ่แข็งแรงนไปแต่เพิน่นเพิ่นบวชเพิ่นอายุเพิ่นบวชเท่าใดอายุของหลวงพ่อเท่านั้นวนันนไปถ้าจะว่าไปละหลวงปู่ หลวงปู่บวชหลวงพ่อก็เกิดวันละไป เ, ะเพิ่นบวชปีแปบแปดวไปสองสรดบแปดวันละไปหลวงพ่อก็เกิดปีสองพี่รยปดสบปดวไปพรานั่นอยากอยู่จักพันษาของหลวงปู่เท่าไหร่อายุของหลวงพ่อก็ทานันเ์วันละไปนี่แหละหลวงพอ่อยู่กับหลวงปู่เนี่ยถือว่าเป็นพ่อเป็นปู่ เป็นพอทั้งถ้ำมะสอนตั้งแต่นโมตัสสะพนอนลงไปกิริยามัลยาทุกอย่างได้เลียนมาจากหลวงปู่จากนั้นเมื่อเป็นพระขึ้นมาแล้วยังคอยเขามาเลียนหลวงตาบลงัตนเนี่ยหล ว, ว, ว, วงตาเนี่ยแปลว่าเลี่ยนแบบปศระเบียบเด็ดเดียวลงไปถ้าจะวางไปแลยฮาร์ดได้ยากขึ้นกัน แต่ว่าหลวงปู่ผู้เจ้าก่อลุงปูลาเขานีา่มีเมตต า, าแต่หลวงตาเพิ่งก็มีเมตตาเกอนแต่ว่าหลวงปู่นี่สอนแบบปูสอนหลานคนไปเฮ็ดจังชั้นนะเฮ็ดจังซีนะเออบางที่หลานเกเรแต่กลับมากลับมาสอนอีกทั้งที่หายหายแล้วก็กลับมาสอนอีกวนไปฮะ อ, อยู่กับหลวงปู่บางปีอยู่2องค์น้ากันบางอีกปีกับสองสามองค์มาหลายใ้สมัยนั้นนะอยู่ผู้เจ้าก่อ ข้นกัขืนทางขยะผู้เท่าหกลมตั้งร้ายเถื่อสมัยหนึ่งเพิ่นส่งน้ำขึ้นมาเฮาก็ราะเด่ดนนาหลังเพิ่นวนไปส่งน้ำนั่งก็ขืนมา ก, ก, อามก่อนเพิ่นเพิ่นก็ส่งน้ำเสร็จแล้วเพิ่นก็มัดวอข้น้ำมนันเพิ่นก็เลยเอามือเอาผ่าครับอาบน้ำนะผลาดเสีแขนข้อศอกเลยหลวงปู่เนี่เพิ่นบห้เอาผ่าข้ามาผาดบาเ ขั้นที่ปกหัวกระปกหัวเศร้าสันขั้นที่พาดปานึ Until ่เอาผ้าข้องข้อนึ่นเจ้าสู่ันเป็นว่าเฮ็ดแซงแสเซงแสอยู่มันโมเป็นตะเบิงผ่าสันผ่าเอาผ่าข้องข้อสันเป็นว่าพอหนันเวลาเพิ่นอาบน้าเสร็จแล้วเพิ่นก็ผัดหอยตองตองแขนเพิ่นเดินอกไปพอขึ้นน้าขึ้นมาตามลาพังก็มีห่างเธอกระถือไม้เท่าห่างเธอเพิ่นก็บอถือไม้เท่าแต่ตามปกติเพิ่นก็บอกก็ถือหลเพิ่นยังนมอยู่ ทางเธอเพิ่นก็ถือให้กันแล้วนันไปถือไม่เท่าพอ ม, มันยัง้งไปไห่ควายล่งไปควายมากเลเพิ่งก็ยกไปเท่าไล่วัวนโนไปเพื่อเป็นไม่ไหลควายวนโนไปควายแถวแต่มันดือด้อเดะเออบางที่เห็นพาเน้นโดดใส่โดดลงไปเพิ่ก็ทําตาหายไล่มันเออแต่เดี๋ยวเพิ่งก็เลยขืนมากขืนมากมาเห็นหมาวันเนี้ยหมาตัว น, นึงมายุ่เนี้ยตายผู้นะมันนอนอยู่ก้อนเห็นเออเพิ่งก็จับผาค่ะ ขมาเน่เพื่อนกันยกจะอ้เมืองมันอนจังนี้เพื่อนวะพ่อหมามันเป็นหมาบาดได้บาดหมาตอนนึ่เป็นมเมนหมาธรรมดามันกัสักขยงมาใส่เพื่นวเพื่อนก็ห้อยห้อย้อหอเ่อนเออบรทางงายหลังเลยพุทโธไปล้มเออโอ้เจ็บไหลเติบยกเพื่นวะลุกขึ้นมาหมาก็ไปพ่อหมาขึ้นกันนะวะบริษัทเพื่อนกว่าเะพราะว่าเพิ่งผ่าผ่าขมาเพื่อนมันเปียกมันหนักด ตุยเสียหมาลงไปหมาก็เลยหงายหลังไปนั่นแหละมาพี่หน้าพนโอ้คือ เ, เป็นหมากาัดข้าวนั่นอยู่ในปา่าในหลวงจักเขาสใส่ยายัางให้เพิินเพ่ไาไอ้ยาเอกกันหมาบ้านี่กมันมีบวแถวนั้นวนไปมุกดาหารพนนะมันบ ม, มเมนใกล้เลยว่าไปยังว่าพี่หน้าพนโอ้นับว่าเป็นบุญแตะเนี่ยเคยคงจะเป็นบาปเป็นเวรของเพิินขึ้นกันหมาตอนนั้นไม่จังจังไนจมาโดดสเสพนวันไป อยู่พูจอกอ่อเนี่ยแหละสรุปแล้วก็คือลงปูเข้านี่อประจนไพ่น่านับประการถ้าจะว่าไปแล้วเอประจนไพ่น่านับประการคนละไปที่พันอยู่ภูจอกอกับลงพรบิษฐานที่กันดานที่สุดในยุคสมัยนั้นและอีกอย่างหนึ่งพันก็อยู่ต่างทิน่นต่างแดนจู่เมืองอุดอรแล้วก็ไปอยู่ภูจอกอ่อตั้งแต่ปีสองพันหารอยแต่ถ้าจะว่าไปเลย ยังตระกูลของหลวงพ่อเนี่ยคดูแลอกอุ่มเพนถือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ว่าเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นคู่บาอาจารย์เนะี่ยยังยมพ่อของหลวงพ่อเนี่ยค่เคยบวชน้ำเพลนอีกวันนึงไปเป็นตะปักขาวอีกยมแม่เนี่ยสิคเขารลบหลวงปู่เขาหลบซุดๆดวันนึงไปเอ่ขันซุดไทยเนี่ยเป็นยังว่าเด้เอ่เป็นไหนล้วเนอะเป็แม่ป่ะปฏิบัติหลวงปู่โอยผู้ขานะผู้ขานได้ปฏิบัติ พระอรหันต์แล้วคนมาเอ้หาว่าโอ้โฉนงจังใดโอ้ยผู้ขาฝันอใส่บาทหลวงปู่หลวงปูวเต็มแล้วลวะท่นใส่บวัวใดผู้ขาใส่เสื้อว่าเพลินเป็นพระรอรหันต์พวกเขากอบฟังอยู่มห า, าเพนมมรณะภาพจุตินิรพัฒน์กระดูกพงเพลินก็เป็นประทัอคุณแม่ยมแม่ของหลวงพ่อเนี่ยวอกว่วผิดแล้วกันวันเราไปนหลวงปูห้องนี่เป็นพระที่ นากาบไหว้สักระบูชาคุเ ม, มืองนึ่งคนทั้งหลายกำลังไหลายขึ้นไปกราบเจดีหมากไามพนั้นหลวงพ่อถือว่าหลวงปูเนี่ยน อ, อกจากพ่อแม่ของหลวงพ่อแล้วคือหลวงปูเนี่ยเป็นผู้ที่สองเป็นอนุบุคพาจารย์มนันไ ป, ไปล่องจากพ่อแม่มเพิ่นไฮถ้ำมาแก่หลวงพอ่อสอนทุกชิงทุกอย่างกิริยามรรยอาจ กาบจังใดไหวจังใดคำพูดจังไดข้นเจะเว่าควนเจ้าเ่าจังใดขู่ข้ น, ข น, ขขนมากเกี่ยวของเฮ็ดจังไดเนี่หลวงปู่พันศรมดในร า, ายละเอียดรงไปยังจะไปยกขันน้มใหายยา้ ญ, ญาติโยมขึ้นกันสมุยญาติโยมมาเนี่ยบุจักเขานี่ยไปก็ทียกแก้วน้าไปให้เฮ็ดกงโก โ, ก โ, โ, กโยกใโบได้เดชหลวงปู่พันวัดต้องนั่งเฮ็ด<อ>แบบถอดสายบัวลงไปเฮ็ดข้อยะลงสกอรให้นั่ง แสดงความเคารพแขกที่เขามาหาเฮ้าโมเมนต์ที่กงหลังกองของหน่งขึ้นมาแล้วก็เอาอยางจันโมนได้เดชบนบ้าอันนี้เพันศรเน้นหน่อยบน้าไปหลวงพ่อพี่หน้าเบิร์แงมแมนความเพิินได้จะว่าคู่บาอาจารย์มาสิก็ต้องนั่งคุกเขา่าเขาไปถวายเพิินถวายของแบบใดถวายกับพระหลวงปู่พันศรวัดตามลําดับสําหรับแขกออกตนญาติโยม โดยเฉพาะอย่างพ่อแม่เขามากเลยจ้ะสี่ไปหาด้วยความบอขคบรบ่าย่นออไปแต่พ้นว่าเนี่ยพ่อแม่ของเจ้าของเนี่ยหายตรงหาด้วยความขลบรเมนสี่หาแบบพิสาสะเบิง น, นะอันนี้ก็คือเป็นข่่บอกข่่มกาวคําสอนของหลวงปูน่นะเพราะนั้นหลวงปู่เนี่ยเป็นโฮมพ่อโฮมไส้ของ บอกว่าเป็นของผู้อื่นกัเป็นของหลวงพ่อเนี่ยลับผู้นึงมานึ่ไปเพราะนั้นยังพอเสาเป็นก็เคยไปบวชกับหลวงปู่แล้วก็ลูกหลานทั้งหลายกันเลยได้ฟังเทศฟังธรรมธรรมเทศนาของหลวงปู่ประวัติหลวงปู่พวกเข้าได้อ่านได้ศึกษาเพราะนั้นให้พวกลูกหลานทั้งหลายยึดหมันเนอะยึดหมันในแนวแถวของหลวงปู่ห้องบอ่อพิษว่านึ่งไป หลวงปูเป่เฮ่เป็นผูเข่งขัดเป็นผูตัง อ, อกตังใจมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์อย่างเด็ดเดียวอิเลี่อนออกไปหาไรยากหลวงพ่อวะ่พะพอนั้นพวอเฮ่าลูกหลานสุขู่สุขชนที่เป็นลูกเป็นหลานหลวงปู่ให้ไปยามยึดมัน่นหลวงปู่เนี่ยเพิ่นสอนแท้แท้เรื่องอบายมุกนะ เ, เรื่องเลรียญบัตรเหรียญเบอร์เรื่อ ง, อองหวยเรื่องการพระนงพระนั่งขันต่อเลรียญไพ่เลรีโป หลวงปูนเนี่ยพันบอส่งเสริมแท้ๆเอาหน่อยไป เ, เรื่องกินเหล่าเม้ายาคือกันซ้อนแล้วส้อนอีกเพราะนั้นพวกลูกหลานของเฮานะหายยึดตามแนวแถวหลวงปูที่พันสอนเอาไว้ผลว่าขั้นเป็นพระกระตั้มจะไปยูไซก็ตามขั้นห่าว่าอเ น, นี้เงินขน่อยถึกถึกเบอร์แล้วที่หลวงปูบอกยากินของเขาแต่แท้เดี๋ยวสันผลว่า ขันบมมีนเอากินให้กินดินกินใบไม้กินใบไม้แห้งยังถี่มีประโยชน์กว่าที่จะปีนกินเงินกินท่องของเขากินทรัพย์สมบัติของเขาที่ได้มาบรบริสุทธิ์ป่านนั่นเลยหลวงปู่สอนอ่าเพราะนั้นหลวงพ่อฟังฟังถึงใจแถวๆลงไป เ, เรื่องอบายยมุกทุกอย่างเพราะนั้นพวกเฮาที่เป็นลูกเป็นหลานของหลวงปู่ให้ฟังไวนะ้หน้าให้ศึกษาไว้ไแนแนวแถวที หลวงปูเข้าสอนสอนให้เป็นคนดีทำมาพวกเข้าที่เป็นลูกเป็นหลานออกตนญาติโยมหมดเว้นในอบายยมุกอย่างที่หลวงปูเด็กกาวเด็สอนหลวงพอว่อถึงจะถูกจะจนก็เพถึงจนจ น, จนอับจนไปบลอลล็อตต้องมีท่างไปแล้วก็พร่อเม ก, กันกันกสร้างบุญสางกุศลเอาไว้เป็นเปิดทางเจ้าของเอาไว้การสางบุญสางกุศลเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้ว มันเป็นพลังเลเออมันเป็นพลังทางด้านจิตใจทางว่าพวกเข้าว่าได้สางบุญสางกุศลเนี่ยมันปิดตันอันตุคันว่าพวกเข้าได้สางบุญสางกุศลไปพร้อมน่ยมันเปิดช่องเปิดทางมันเป็นพลังเอ่อเฮ็ดว่าเป็นตะใดมันก็ะไดเฮ็ดว่าเป็นตะเกิดมันก็เกิดขึ้นมาเพราะโดยบุญกุศลมันมองว่าเห็นบุญกุศลน่ยเอ่อพรานั้นบอกวรจะมองขามอ่าอย่างหลวงพ่อนี่แหละมาอยู่จังสิ พวกข้าเบึงยุ่ในปา่าถงพงไพ่บกขึ้ดว่าจิคขู่คนที่เข่องมาเกี่ยวของก็มากถึงสี่แล้วคันว่าผู้ใดได้สร้างบุญลกพ่อว่าจังไหนจังไดนก็ไปหลอดมันไปใครจิตใจเป็นกุศล เ, เวียนเสียติบท้ำอ้หยังหวังอันนั้นมณีหวังอันนั้นทำหวังภายนอกทุกโดยมากกุศลปุญนกุศลที่ท้ำไปมันลดปริมาณเลยเพลังลดพลังลงมนกไป แต่ว่าทำบ่บมุ่งบวชยังมีแต่วังบุญกุศลโดยบุญกุศลที่ผู้ขาท่ำดีแล้วนี่ยโดยเจตนาดีแล้วเนี่ยผู้ขาไปอยู่ในสถานที่ใดท่ำงานในอย่างกิจการยังก็ตามขอให้เป็นบุญบุญกุศลมาซอยผู้ขาเนอะอย่าให้ผู้ขาได้ต๊ะอัพโดยบุญกุศลที่ผู้ขาได้ท่ำดีแล้วนี่คานว่าผู้เข้ามีจิตมีใจจังสั่นอยู่เสมอนะ เฮ็ดหยั่งก็พ่อเปลนพอไปคำนวณย่ำเฮ้าตกอับหรือว่าอับจนขึ้นมาเฮ้าก็จะไปตำนี้ว่าเฮ้าสางบุญแล้วเฮ้าท้ำบุญปานนี้แล้วเฮ้ายังตกทุกข์ได้ยากเฮ้าอย่าไปอย่าไปตำนี้ให้คิดว่าโอ้ผู้ข่าเนี่ยเคยจะคงจะเคยท้ำกับเขาไวในอดีตชาติหรือแต่กอนเก่าคนนะกรรมนั้นคงจะให้ผลข่าไปเจ้าอยู่เอาเถอะข่าไปเจ้าต้องยอมรับแหละเนีพบ ผู้ข่ากันเฮ็ดมากอาถิได้ทำกรรมบอดีไว้กับเขาเขาจึงมาตม้มมาตุนขา่าแต่บัด น, นี้ต่อไปข่าในลูกแล้วว่าสิ่งกรรมชั่วเนี่ยให้ผลที่บอดีผู้ขา่าจะบ่เฮ็ดสิ่งที่มันบอดีพยายามจะทำแต่กรรมดีเอาไว้นี่แหละให้พวกเ ข, าข้าคดวายูจังสันเสมอ่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นกันเฮ้าจะไปหาว่าเป็นผีจังสันเป็นสางจังสันผีปอบจังสันผีกะจังสีเฮ้าจะไปถือจังสัน ถือว่าเป็นกรรมัมคนเท้าเกิดมาบ่าาตายยี่ให้จังไรเกิดมากต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาคนเท้าเป็นมากจังสี่จัง แ, แต่สางโลกมากบ่เห็นผู้ใดอยู่ใดตายเมื่อทุกคนแต่ว่าก่อนที่ตายนั้นให้เท้าหยึดแน่วแถวที่พระพุทธเจ้าพระแม่คูบาอาจารย์สอนอถึงพุถึงพุทธทั้งท่ามั่งสังข่างสารนั่งคัดฉ า, ามิยุดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาธาะเป็นที่พึ่งอ่า โมเมนต์ที่บางคนยิามาถามอีกอเฮตบุญแล้วก็บุญก็พ่าซ้อยหอกบุญจักเป็นตัวจังใดบุญจักทีเป็นตัวจังใดบุญก็จักจิ้มาสรอยได้จังใดผู้ค่านวะ่าเสื้อดอกว่าเสื้อบุญหรอกขั้นเป็นยังสั่นมันก็เขาทํานองที่วา่าพระกรรมาฐานเอาขีดดังหายหน่ายเลือดลงไปพวกเขาเคยได้ยินบ่ คนบกุจักบุญโบกุจักบุญคนที่ทําบุญเกิดขึ้นพอทําไปแล้วมันเป็นพลังไหมมันเป็นพลังในจิตใจจิตใจสบายจิตใจไม่ความลมเย็นเป็นทุกข์นั่นละบุญเฮ็ดหนังกับปอดโป้งเฮ็ดหนังกันเป็นไปได้ความจะเลื่อนลุงเรื่องเกิดเป็นไปได้ให้พวกเข้าคืดเบื้งย่อนหลังเบื้งให้ดีเข้าเสียใจไหมที่เข้าด้ทําบุญพวกหลวงพ่อน่ยบุตรหลวงพอว่อบุดรเสียใจสักหน่อยแลยว้วยหน่อไปตีเสียสาระ ล, ะลงไป ที่หลวงพ่อบวชมาตะเล็กตะน่อยขึ้นกันหลวงพ่อบอดิเสียใจและการสั่งเสียสาระอย่างก็ตามที่ใดญมากจตุปัจจัยที่ใดญมากหากูใหายข้นห้วัดว่าศาสนาหาโรงพยาบาลหายลุงหล่ำลุงเล่นหลวงพ่อเสียใจบ่อหลวงพ่อภาคพุ่มใจที่ได้ให้ไปเพราะนั้นหลวงพ่อจึงมาหยุดจุดนี้แน่วพอเป็นตะมีก็มีแน่วพอเป็นตะเป็นก็เป็นอแนวที่ว่าข้าวนี่ มีความจําเป็นจะได้ใช่เดอมันกําลังไหลเขอามา้าข้าวเลี้ยงคิ้วขอม้าบ่ออัพบอ่พบอบจดก็ต้องไปนี่หลวงพ่อว่าขั้นบ่ว่าบุญทีว่าอีอย่างก็ต้อไปหลวงพ่อว่าเป็นบุญเด้เพราะนั้นใด้สร้างบุญไว้นะเท่าคนมีบุญไปใสลมเจ็นเป็นสุกมัดน่ะไอ้คนโบกุจักบุญก็ยังว่าอย่างที่หลวงพ่อว่ามีภาะกรรมฐานภาะกรรมฐานบ่มีเงินเด้ เพราะมีเงินออกพระกรมาฐานการบูพระมีเงินนะโมเมนพระวอนลงไปพิชศินขอหนึ่งเลยพิกสูรับเงินและทองหรือยินดีเงินและทองที่เขาเก็บไว้หรือว่าเก็บเองก็ดีให้ผู้อื่นเก็บก็ดีซึ่งทองและเงินพิชสินไปขอหนึ่งสินขาดไปขอหนึงลงไปเพราะฉะนั้นพวกเขาถือว่าพระองค์ไดมีเงินนะให้ถือไว้แล้วว่าองค์นั้นขาดสินไปขอนึงหลักในสองร้อยยี่ขอะที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้วอนลงไปคันพระมีเงินติดตัวไปนะ ศีลขาดไปขอหนึ่งนะพี่สู่เก็บเองก็ดีให้ผู้อื่นเดี๋ยวก็ดีซึ่งเงินและทองอนะตรงนี้จะขี่ยาปาจิตตีนงะนี่แหละอันนี้คืมีพระกรรมฐานเพิ่นก็เพะมีเงินมาหน่อยพอมีเงินเ พ, พิ่ น, พนก็เดินทุ่งลงไปเพิน่นมาจากขามฟังโขงมาหน่ฮยจะขามไปฟังพุทธมาหน่อยไปหอดเพื่อเพื่อไพาหน่อยเพื่อเจ๋วมาหน่อยเพื่อเจ๋วเพื้อไพ่มาหไปอยบอกว่าอาตมาอยากจะไป ฟังพูนวันฉัอหอยไปก็ไปได้อยังไงราคาเท่านั้นเท่านี้แล้วยังพอฉันโอ้ยอาตมากขาบ่มีแล้วฉันเนี่ยอาตมากขาบ่มีเงินล่ะก็เดยเป็นพระบ่มีเงินล่ะขันมีก็มีแต่บุญเท่านั้นแหะสี่หาวันฉันเนี่ยเลื่องเงินลงท้องบ่มีแล้วอทั้งหมอแจวเลือนนะครับว่ า, วาได้ยินแต่ว่าเขาว่าบุญบุญันนแต่พัฒเกิดมากกับมีตแต่พอเป็นผูกผ้าผ้าเลือดวันเราปคำ คนข่ามฝากวันไปพ่อใหญ่ขึ้นมากกเป็นเล็กน <cultural. S 2> well hey, ้อยกัเป็นลูกเลือให้พ่อวนไปพ่อผ้าเห็ดวันไปก็ะบ่กเคยเขาวัดเขาว่าบอเคยไปไซวันไปมีแต่อยู่กับเพื่อนวนไปแต่ในยินเขาว่าไปเอาบุญไปเอาบุญน่นวันไปไปเอาบุญบ้านนั่นไปเอาบุญบ้านนี่เห็ดบุญอยงสั่นเห็ดบุญอย่งสี่วนไปแต่ยินแต่เขาว่าวนไปเขานั่งเหื่อมากเขาคุยกันวนไปบาดในหมอเนี่ก็ว่าแต่ยินพระกรรมฐานวา คั้นทำว่าชีอยากได้น่อยเงได้เงินกับบมีแล้วว่านน่อาตมาบมีเงินขั้นหนังว่าอยากได้ขั้นจะเอาบุญเออได้ยศได้บุญมาสันเอาผ้าขามน้ำมาสันได้บุญหลายวันโอ้ยผมก็ได้ยินแต่ข่าวว่าบุญบุญมาสันผมก็อยากได้ขึ้นกันนั่นแล้วสันนี่ยขันสั่นจะเอาผมสะเอาบุญน้ำมาผมจะเอาบุญน้ำขั้นว่าสะให้บุญผมก็บอกเหลือเงินมา เออคัขันเจ้าบุญก็เอาหมืนบาหลีภาพกรรมฐานกับมุกมับกั บ, กบขึ้นไปเฮือแล้วกันไปพอเฮือเนี่กหมอเนี่ยก็เจ้าของเฮือเนี่เือเหือแจ๋วเนี่ไ ป, ไปก็พ้าย่ำล้แล้วไปจ่ำย่ำย่ำบุ่ะรเทมันโก็โดนเติมได้หมไปช่ขามฟังขามฟังโขงได้หมดไปพ่อไปหอดพุนบาทนี่ยพ่อไ ป, ไปถามว่า ยาคู่วะันนีที่ว่าอาตมาจะให้บุญเ่ยยุใส่ผมบอกก็พาเาบอเป็นได้บ้นไปพาว่าอาตมาเพ่นก็อาตมาน้าเดียวไปเอออาตมาทีว่าจะให้บุญผมนี่แล้วเฮ็ดยังไงวสันนีก็ให้แต่เด้พนว่าให้ยุใส่สนน้หไม่ก็ให้บุญนตด้ทรงทรงขำฟากก็ไดบุญเดียวสันห่อยุใสบุญกันเป็นซีมก็ตัวต้มผมได้สัน บ่อห้บุญจะไปเฮ็ดจังสว่าสันยยุ้ยใสห้ย่มหาแรกว่าันบ่อได้อสันพระโอน่ของไฟหายแล้วว่าสันน่ไฟหยยุ้ยใส่พ้นว่าเลยเอาไปมากจะดึงผ่าจีวอนพระไหววนออกไปพระโอเนนก็ไปบ่อได้วไปพอหมอเขื่อนี่ดึงผ่าจีวอนไหววนออกไปเพื่อนนี่เอ๊กูจิเฮ็ดจังได้ว่าสันนี่ป่านนี่เอายังหาวันว่าสันเอาไปมากกับลูกไปลูกมากกับโจกเข้าไปนี่ดังวอไป ไปควักขีดังแห่งออกมากันหนไปเม็ดหนึ่งออกมาวอนหนึงออพอนนักก๊กออกมาขีดังแห่งเม็ดหนึ่งออกมากเลยกันเลียวพุ่นเลี้ยวพีกันขั้นบ่อให้บุญนผมว่าให้ไปแท้ๆคนว่าไปหาต่มผมมันสิว่าจะให้ปุ๋นให้ปุญนก็เว่ากันแล้วท่านบาดานี้บาฮาม่ว่าห้แล้วห้แล้วใช่ทังไหนผมบ่อใดแม้ว่าท่นดทางเพิร์นเอรกับเน่าพอเนี่ยกับพ่อเน่าพอกรมณ า, านนี่ยกับควักควักไม้เอา้าบุ๋นคนวา บ่าบรรดาบาคอหลอเลนยน่อยป่ะเนี่ยวะก็ยังหน่อยเถอะวะไหวก็ของดีมันก็จะไปใหญ่เย่าวะแต่ต้องน่อ ย, อยงั้นสิแล้ววะวะทเก็บไปใส่แล้วยังพอคนว เ, อ, เ อ, อ, อัตมาจะให้ผมเก็บไปใส่พุปว่าเด้ปุณเ ว, ว้กพาก็บอกเปลี่นว่าอัตมาอัตมาน้มามด้วจะให้อัอตมาจะให้ผมเก็บไปใส่นน่ะเนียพอก็บอกว่ามันเนก็บไปใส่มันก็สีเ่เฮียแล้วันมีทางเดียวก็ดกลินเท่านั้นแล้วสัน เพื่อนเอกะญาติเข่าปากมับปรต์ลงไปพอนี่พอให้กินเด้พอมับเข้าไปท่านเอกะบุญนี่เป็นสีเข้มๆหน่อยย่าพอเนาะบุญบุญบุญสีเข้มๆหน่อบุญนี่เป็นสีเข้มๆหนออาตมาผนวะเด้เออผลวะเด้เอาบาตนี่ไปเลยเด้อบัตรโดยผลวะเด้บัตรย่าพอก็เฝ้าไปบักใหญ่เลยวันหนึ่ไป เออฟาไปปักใจนี uno, hay hay trendy, Super, World, like ่แตสิให้หนีให้ไก่วนไปเออข่านสมมิิถึงผ่าจองหน้าจองหลังยู่ได้วะหนูไปเออได้กินขี่ดังจะลอยแล้วนูไอืมได้กินขี่หมูจะลอยเหล่าขี่หมูแข็งวะหนไปเออเพราะยังวาสีเข้มข้มสีเข้มเข้มนาะบุตรเนาะ่นว่ะได้เออก้อนบูตรเนยสีเข้มเข้มอะตมาพุ่นว่ะเด้ป็่นว่ะครับเนี่ยพอหนูไปเนี่ยพอว่าอะตมาเอะตมาน้ำเด้ พวกคนโม่เคยเขาวัดเขาว่ากันออกไปยังสั้นแหะคนโม่จักบุญนี่ท่านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าวนออไปออบุญบุญให้ศึกษาให้เข้าใจบุญคือความสุขบุญคือความเย็นใจเมื่อเข้าทําไปแล้วบุญเข้าสู้จิตเข้าสู้ใจแล้วมแต่ความสุ ข, สขความเย็นใจมิตรความจะเลื่อนลุงเรื่องบุญนี่เป็นพลังคือการขับใจของเฮนะ้าใจของเฮ้ามองบ่เห็นด้วยตาเนือ้อแต่บังคับให้กายแล่นก็ได้ให้กายย่างก็ได้ อ, อ ข, ข, ขั้นใจออกจากร่างไปแล้วไปดิเฮ็ดยังได้ขบวายร่างกายอยู่ซื่อๆวนไปอันนี้คือการนะบุญในมันมองว่าเห็นด้วยตาเนือ้อแต่มันเป็นพลังเออเป็นพลังที่ทาให้กิจการงานกองเฮาเรื่องของเฮาไปในทางที่ดีมีแต่ความจเจริญลุ่งเรื่องพราะบุญซอยวนไปคนมีบุญซอยนี่เหดุยังดีมันนนนมนมน่นน่ะนะแต่คนมีบาปคนมากน่ะนะคนมีบาปเหตุยังกัล่มหล ม, ลมจมจมคุดคุดหวนหวนอ่า พออย่านั้นพวกเข้าได้มาทําบุญเนะนื้อนะีเน้อพร้อมกันกับอุทิส่วนกุศลถึงนะพอรอยตีเสาสเวตวบ้งและก็พอ่อพูยใหญ่ถ้ำนะพีน่องลูกล้านของเข้าสุขุสุขนนะ่ะทั้งปูทั้งยาทั้งตาทั้งย่งาบ้งสาข้านายหยดผู้ใดตกทุกข์ได้ดยากให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากผู้ข่าเดอ้อมือนผู้ข่าจะทบุญหาวงสาคณานายายกนะพอใหญ่เสา เป็นประเด็นลักอ่านี่แหละให้ผู้เข้าน้อมจิตน้อมใจจังสันแล้วก็หลวงพ่อเองก็อีกสักมือนึงก็ยังคืด อ, อยู่ว่าที่ทาบุญหายโยมพ่อยโยมแม่คือกันเน่แล้วก็โยกเป็นทําบุญในวัดของเฮานะ่ยวัดของเฮ้ากับปูป่ใดมาสาั่งวัดว่าศาสนารวมเฮ้ากับล่มหายตายจากไปคนร้ายผู้ไร้คนอ่าเพราะนั้นหลวงพ่อที่ทำบุญปีนึงกันนาจะมีขังนึง ตรงพ่อเขาจะทำบุญคือกันนะแต่จะเป็นมือใดอันนี้ก็เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลผู้ที่เป็นญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายออกตนญาติโยมที่มารวมสร้างวัดว่าศาสนาให้ลมหายตายจากไปอาจจะไปติดคุกมาแล้วติดคุกคือยังไปตกนรกมาแล้วไปไปตกนรกมาแล้วป่ะเนี่ยกลับมาโตโตเตเตยังไปใสบ่อได้ พวกเขาก็เอ อ, เ อ, อหาเงินเอาเงินมากขึ้นยัดใจมือวันคือคือเอาบุญนวด อ, อุทิศส่ว น, วนกุศลให้คือหาเงินยัดใจมือเออมือ่อยัดใจมือของวิญญาณวิญญาณก็มีเงินในกระเป๋ามีเงินในมือก็ไปแล้วเอาไปไปหาเกิดหลับบาตรเลอันนี้คือกัน น, ะนั่นแหละพนการสร้างบุญสร้างกุศ ล, ลทุกครั้งที่พวกเข้าได้ทําบุญก็ให้อุทิศส่วนกุศลถึงออวงศาขณาญาตเปตทญาติทั้งหลายที่ตกทุกข์แต่ยากอยู่กข์ ไอ้มารับส่วนบุญ่วนกุศลจากภูคาเด้อเลยแต่ก็พร้อมกันในคณะยังเฮายังมีชีวิตอยู่นี่ยมีอย่างเรับเฝ้าเห็ดเอาซะอย่าไปหาว่าผู้ขาอายุแกเจะา่อนยังคอยเห็ดผู้เฒ่าเจ้ากอนยังคอยเห็ดบมเมนต์สั้นเด้อแหมพบว่าโมเม น, น, มนมเฒ่าเจ้ากอนยังคอยตายเด้อหน่อยก็ตายด่านุ่มก็ตายด่ายสาวก็ตายด่พ่อบ้านพ่อเงินตายได้ทั้งหมดพราะนั้นเฮาต้องเก็บหอมรอมริบ เก็บคะแนนไปเรื่อยๆคือเก็บบุญไปเรื่อยๆสร้างบุญสร้างกุศลไปเรื่อยๆบรมแมนสิตายจะกวนให้ผู้อื่นเฮ็ดไถ่กันตายจะกวนให้ผู้อื่นเฮ็ดไถ่มันบมดถืกใจเฮาเด้ห่างเทือขนาดยังมีชีวิตอยู่อิหลา่าอินั่งมึงไปซื้อยาไม่กูกินแล้วังยาถาดได้หมามันปุบ ป, ปับบางเริ่มไปซื้อเหล่าซื้อยามันหน่อยๆซะ สื่อเหล่ามาชูมูกินสัง่งเงินม่งมีทอนีเตียวมาทันมีทอนทีแล้วกูไปซื่อเหล่ากันขนาดนั้นมันก็ยังบอดถึกใจเฮาเนี่ยเปนหมดละเพราะนั้นเวลากูตายเลยให้เงินก่อนในยู่นี้เลยให้สูทําบุญให้กูเด้เอาเถอะเพ้อเพ้อเข้าไปจ้างหมอร่ำคนน่ะไฟขาง้อ ข, า, ขาค้วยมากในงานของเฮาอีกทั้งที่จะเป็นบุญเป็นกุศลบาปอีกเพรานันไปบาปเพิ่มเขาอีกเพราะออนั้น คณะเฮายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเฮาสิเฮ็ดยังเฮาเา้าเฝ้าเฮ็ดเอาซะสางบุญสางกุศลให้เต็มที่หมดลงไปการทว่าตายเลยซูพระต้องทำให้กูก็ได้เดอ้อกูสางเอาพ่อแล้ว เ, เงินก็อยู่หันอยู่นี่แหละให้ซูแบงกันซะไอ้ส่วนบุญซูพระตองเฮ็ดให้กูดอกกูเฮ็ดเอาละพ่อแล้วต้องบ่อจังสั่นยังค่อยเฮอยังค่อยแมนหมนลงไปยังลงตามหาบัวนี่ย เ, เพิร์ลวานี่ เวลาเขาตายบ่ต้องกุสาร่าเข้าได้เหมนไอ้พวกที่มากุชาร่าเขานี่ยพวกงงงทั้งหมดเลลักษณะนั้นหรอะเพื่อนบอกแต่เพื่นก็บอกว่าป่านนั่นหอวะเ้าเนี่พ่อแห้วพ่อตัวแล้วหมือนเนี่ยบ่ต้องทาใหม่เข้าบ่ต้องกุชลราให้เข้าได้นะมันป่านนั้นหรพอดีวนไปเนี่ยพอขน้นพวกเข้าให้สร้างบุญถึงจะถึงจะบ่ป่านหลวงตาก็เถอดนะ ให้มีเกรืองอุนอ่นอกอุ่นใจสร้างบุญสร้างกุศลเขาสู่จิตใจของพวกเฮาให้แน่นไว เ, เต็มโดยบุญไปด้วยเต็มไปด้วยกุศลไปไซด์กัมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข์นะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะชีวิตของพวกเฮาขย่างทีพี่น้องพ่อแม่ปุญญาแต่ย่ายนะ่ยล่างไหลเดินตามหลังกันไปเรื่อยๆจะไปคืนวัตจุของสิบวาตายได้บนแมน่นเด เขาต้องเดินตามหลังไปเรื่อยๆ อ, อีกสักมือหนึ่งก็หายผู้นั้นก็หายผู้หนึ่งก็เฮียผู้นั้นก็หา ย, นานหายเอาไปมากมดไปหมดไ ป, ดไปวนออยังแต่เจ้าของก็หลอกเหล็กเลยเอาไปมากเจ้าของก็เฮียอีกคืเอเกานออไปไอ้พ่อยนั่นให้พวกเข้ายาประมาทให้สั่งบุญสั่งกุศลเอาไว้บุญกุศลเท่านั้นละ่ะที่จะมากเกลือกูนหนุนเข้าหาใจของเข้าไปสู่ความสุขความจเจริญได้นะอโม น, นี้ิลุงพ่อได้เบาอืคติเป็นคติเป็นตัวอย่าง เป็นแนวความคิดให้ลูกหลานทุกคู่ทุกคนที่มาทาบุญให้ใหพ่อใหญ่เสาของเฮาที่เป็นลูกหลานของหลวงปู่หลวงปู่ก็เป็นผมพ่อมไส่ของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อบวชกับหลวงปู่หนึงแต้หัวทอํำปั่นก็ว่าได้่หมื้นกนจนเป็นปานนี้แหละเราอยู่ปีนีเท่าไดเดือนเมษายนนี่นี่ปีได้ไดลูกหลานเนี่นเมเป็นพาะน้อยพระนุ่ได้ หลวงพอ่อมเมนพระหน่อยพระนุมเลยเข่าปุ่นชราแล้ววนะโนไปจะเป็นพระเถาเลยเนะด้เอ้ยคัานว่าหลวงพอ hot, อ่อหอดอายุเจ็ดสิห้าปีขั้นใดปานน่ะหลวงพ่อว่าเก่งเลยเนดะ้ในชีวิตหลวงพอนะ่อเนี่ยหลวงพ่อบุกขืดว่าฉี่ยื่นเนะีเอ้อยู่เป็นมื อ, มอไปคือกั น, นะนกินเข่าเป็นมื อ, มอชั้นอาหารเป็นมือไปมือหอดมือได้ก็หอดมือนั่นแหละเอะ้แต่ก็ยังว่าเนะี่ะปุ่นกุศลหลวงพ่อ เองบอดดีประมาทได้สร้างสมไปอย่างพวกเข้าเห็นเนี่ยนะการอยู่ทางนอกเอาซอยเหลือชุมชนและสังคมไปกานบอดดีซอยเหลือชุมชนและสังคมก็เดินอยูักบนัน่งภาวนาอยู่ในที่สงบสังกัดของเจ้าของพิจารณาเบิ้งใจของเจ้าของเลยอยู่จึงสัต์บอดดีตั้งอยู่ในความประมาทคิดว่าจาังไรอีกสักมือนึงน่ะต้องได้โดดหน้าผาในแนวเราไปเมื่อเป็นอย่างอื่นโดดหนาา้าผาคือยังคืดตายเอยงแล้วย่างทุกพอได้ทำ ได้ถามย่อมปูถามย่อมพ่อของหลวงพอนะ่เอเนี่ยหลวงพ่อเห็นผู้เฒ่าอยุแกเลยเด้เก่าิว่ปีเปานอกไปไปก็เห็นตามลาพังหลวงพอ่อก็เลยถามเปิ้ลกระมาไก่มาถามน่ถามเนี่ยผู้เฒ่าเขาบอกคอยบ้าหลวงปู่ขา่าหลวงพอ่อเขาเลยถามย่อมพอ่อย่อมพอ่อวะเท่าป้านี่ย่านตายอยบอกวาย่อมพอ่อผู้เฒ่าก็นั่งซึงลิง้งขีดโจนไป ให้ญาตตายแท้ๆกับบวชญาณให้เก่งต่อมั่นกับบเก่งพุทาว่าแต่ว่าขี่งอสันขี่งอใจสีขาดสันมันเป็นยังไงล่ะยมพอ่อคือกันกับเดินคือกันก็เข้าเดินทางไปหนยะยางยางยางยางไปพ้อไปหอดหนาผ้าสันนี่ยมอดหนาผ้ามัดทางสี่ไปแล้วบาดเนี่ยันกันจะให้เจ้าของกระโดดลงไปม้ำบ่อกระโดดสันมันขี่งอจิโดสันกันผู้อื่นพักหลังให้ก็สุดแทะแต่เหล่าสันนี่ย เรียวรีลุกหนาวพาว่า่นเออนี่หละผู้ข่าได้คิดจังสันละ่ะคูบายอาารยเนีเ่นเิเิเอิญเอิญหลวงพ่อเป็นคูบายเป็นคู่บาลูกคนออกไปนะผู้ขาได้คิดนี่ยบ้านนี่หลวงพ่อ็มาพิจารณาเบิองที่หลวงโยมพอ่อว่วใหลวงพ่อฟังหลวงพอ่อผู้เขาผู้เถาได้คิดคักไปเรียวแม่นความผู้เถา อ, เอิลีเดยวเออให้กล้ากระบ่กกล้าให้หานกระบห่หนันไป ใ, ให้่าตให บ่ย่านทีก็บอแมนฆนวายาดกัจากที่เหตุอย่างไรวันไปเกิดมากระตายแถววันลงไปนั่นะเพราะนั้นบ่นมีทางอื่นนะให้พวกเข้าสั่งสมบุญกุศลเข้าไว้ถึงจะย่ามโดดผ้ามันก็ต้องโดดล้วะอะแต่วันถึงอย่างไดให้มีบุญติดตัวไปนั่มเอาเงินติดกระเป๋าไปนั่มโดดไปใสก่เงินยน่นในกระเป๋าออกจากโตกหน้าผ้าไปเลยมันก็จิตตะเกียบตะกายไปมองอื่นมันก็จะด้ เกิดมากกับเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีบุญภาพไปเกิดคนไปคันว่าบอมิ่งเงื่อนในกระเป๋าออกจากหน้าผาตกลงไปแล้วไปเกิดเขาทองงัวทองควายทองหมูหมากาไก่โอ้ยเสียเปียกแล้วเอารับพรน้ำมันนี่นะวัตถิส่วนกุศลหน้า